นอบนอบในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอสลายความกรอบเปิดหลวงปู่เทียนปณิมาจารย์ในการเจริญสติหลวงพ่อใหญ่คำเขียนผู้เป็นประธานฝึกพวกเราให้ไปสู่วัฏปุญญิภานะขอพระอาจารย์ยุกิอาจารย์สุรินทร์อาจารย์ตุ้มอ า, อาจารย์ตงแหน่งพระเจรานเทละมัชฉะลาวกะ ในสัมมาณีแม่ชีแม่ขาวอมาสศกอุบาสิกาผู้เจริญในธรรมทุกท่านวันนี้วันพระพระแปลว่าผู้ประเสริฐมาจากคำว่าวะระประเสริฐหมนยังวาจิตใจเป็นใหญ่อยู่เหนืออารมณ์อารมณ์ดีก็เหนืออารมณ์ร้ายก็เหนืออารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ก็เหนือหมดเนะพระ แปลว่าบวชแปลว่านักบวชแปลวันพระชิตนักบวชมาจากคําว่าปะวะชะภาษาไทยบวชภาษาบาลีาาลก็เรียกปวดปะวะชะแปลว่าอะไรแปลว่าเวน้นเว้นอะไรเว้นการคลองเรือนเว้นอะไรก็แล้วแต่เว้นการจากเป็นคนคู่เว้นความโลภเว้นความโกรธเว้นความหลงเว้นตัณหา เว้นจากกรรมตันหาภาวะตันหาวิภวตันห า, วนหาเว้นจากความจิตมั่นถือมั่นละเวน้นปล่อยวางพระวชชะบวชตัวนี้โยบก็บวชสินแปดไบวชศินแปดบวชก็เวน้นเว้นมาแปดอย่างทีนี้เราจะถือเกินเก้าอย่างสิบอย่างก็ได้นะเราจะถือศินแปดสิน 8, สินสิบก็ได้สินสิบก็หมายถึงแบบตัวเงินทองไง เงินสมัยก่อนนะครับมันเงินจริงๆทองจริงๆแต่ตอนนี้มันเป็นกระดาษกระดาษเงินกระดาษทองเป็นแบงค์นี่ก็มีมีแบบไม่มีนะอย่าไปยึดอย่าไปถือมันนอย่าไปยึดไปถือมันมีก็เก็บเอาไว้ใช้เพื่อให้เป็นเครื่องส่งเสริมให้เราเจริญสติเจริญความเพียรนะเป็นเครื่องสะดวกสบายเป็นเครื่องสนับสนุนหนึ่งอย่าไปถือว่าเป็นเป็นเป็นของเรา เป็นเราเป็นของเราจะถือว่าเป็นอย่างนั้นถือว่าเป็นเครื่องให้เครื่องเครื่องมือช่วยดับทุกข์มาเงินทรัพย์สมบัติอะไรที่มีอยูนะ่เป็นเครื่องมือช่วยดับทุกข์เลยถ้ามันมีอยู่กับไม่เป็นไรมันหายไปก็ช่างหัวมันเลยนี่น ะ, ะหายไปช่างหัวมันอย่าไปเสียดายมันหลวงพ่อคำเขียนหนึ่งว่าไปอยู่ที่จำพรรษา ป, ปีสี 2, ่สองหรือสี่สามจำไม่ได้ขับรถขั้นที่วัดท่ามผาใบหวานนะวัดภูเขาทองเนะมีโยมคนหนึ่ง เปิดประตูกุฏิที่อยู่ตั้งหายไปสามพันแล้วบอกพ่อของเขียนหลวงพ่อเงินหายเหมือนกันถูกแล้ว ป, ประตูปิดแล้วเป่าไม่ได้ปิดนะคุณนี่แหละเป็นคนร่วมมือกับขโมยเหมือนกันเป็นคนร่วมมือขโมยเหมือนกันไม่เลาะหวังรักษาเปิดไประตูนั่นแหละที่เราทําของหายเนี่ยเราร่วมมือกับขโมยแล้วคือล่วง ม, มือกับตัวประมาทตัวประมาทตัวกิเลสตัวโลภตัวโกรธตัวหลงนั่งเป็นตัวขโมย เหมือนกับอาจารย์ไปสารพูดนะตัวขโมยเหมือนญี่ปุ่นที่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งไปแอบอยู่ในบ้านนะรักขโมยของกินอะไรต่างนั่นก็ขโมยทีนี้ในตัวเราก็มีขโมยเหมือนกันมีพยาธิขโมยอาหารกินเหมนกันยังมีกิเลสอีกนี่นะมีความโลภความโกรธความหลงขโมยขโมยสติขโมยสัพพัญญาขโมยความรู้สึกตัวที่พร้อมหนีไปอีกนี่นในตัวเราก็มีขโมยนี่เพื่อเรามาปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่อมาละเว้นขโมยละเว้นยังไง แล้วเองก็คือทําความเพียรเจริญสติรู้สึกตัวอยู่เสมออยู่เนี่ย น, นี่แหละมารู้สึกตัวอยู่เสมอทีนี้ท่านอาจารย์ได้สารว่าพูดว่าถ้าทําอะไรเราจะไม่มันประกอบไปด้วยความอ่าประกอบไปด้วยความว่าเราทําเพื่อผู้นั้นทําเพื่อผู้นี้ยังมีตัวตนในการกระทําอยู่ครัให้พูดเมื่อคืนเนี่ยมีตัวตนเป็นผู้กระทําอยู่นะนี่ทําสักว่าทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่าง ยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารของความว่างอย่างภาคินกิเลสตายเสร็จสิ้นแต่ในตัวถึงหัวทีตัวตนตายเสร็จสิ้นแต่ในตัวถึงหัวทีพระอาจารย์พุทธาสันต์ไว้ทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างที่นี่เราจะไปสู่ได้อย่างไรนี่พูดพิธีพูดแต่วิธีทำทำยังไงหลวงปู่เทียนสอนตรงที่สุดเลยยกมือสิจับความรู้สึกสิ ยกมือขึ้นไม่มีตัวผู้ไม่มีตัวเมียเลยไม่มีพระไม่มี Karma, มมเมรไม่มีเทศชีเลยนะไม่มีอะไรเลยค ว, ค, วความโลภความโกรธความหลงก็ไม่มีคุณจำดูสิแต่ทีนี้ไอ้ตัวโง่ไอ้ตัวหยากนะตัวกิเลสตัวบา้บาบ้าบอดมันเป็นนึกคิดว่ายกมือจะได้อะไรมาก็ได้เห็นได้เห็นนะได้เห็นรูปประธรรมคือมือมนะันกำลังเคลื่อนไหวเห็นนามธรรม mer, <óm? S 2> คือเห็นตัวรู้สึกไงเห็นไหม รู้สึกมันสูขหรือเสียยังไงรู้สึกซื่อๆรู้สึกเฉยๆรู้สึกปเปล่าๆนั่นแหละเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์เป็นความรู้สึกที่ไม่มีกิเลสเจอือปนไม่มีสมมติเจือปนไม่มีคำพูดเจือปนไ ม, ม่ความลึกคิดเจือปนอยู่เลยจำให้ดูสิแต่ก่อนหลวงพ่อก็ไม่รู้นะยกมือขึ้นมาวิธีพูดพูดแปดแปดหมื่นสี่พันมาทำอาคารหลวงพ่อมหาหลายัยเรียนจบไปแล้วนะยังมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเขมรเลยบรรพูดบริบูรณ์เสียนเลย อาตัวความรู้สึกตัวเดียวเราทั้งกับพูดแบบว่าความรู้สึกตัวเนี่ยซื่อเฉยเนี่ยเป็นขั้นต้นเป็นขั้นกลางเป็นขั้นที่สุดแห่งความดับทุกข์เป็นขั้นที่สุดแห่งความหลุดพ้นทุกข์เนี่ยเป็นความขั้นสุดที่สุดของการปล่อยวางทุกขนะ์การที่ทุกข์ต่อไมต่ติดตัดขาดทุกข์เนะี่ยท่านพูดอย่างนี้นะเอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้งหมดใช่ไหม น, นี่วิธีทําเลยวิธีพูดพูดอย่างไงก็ได้พูดไปพูดมาพูดผิดพูดผูกพูดแล้วก็นั่น ที่จริงคําพูดความคิดคําพูดและการกระทําทุกยอย่างเป็นการกระทําเพื่อดับทุกข์กันเลแต่ว่าดับผิดเลยอย่างคนโม โ, โหโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ไปฆ่าเขาตายก็ดับทุกข์เหมือนกันแต่มันดับผิดเข้าใจไหมมันดับผิดพิธีคนจนยังไงไปรักของไปโป้นเขาไปโกงเขาเนี่มันดับผิดพิธีเข้าใจไหมถ้าดับผูกพิธีก็จนก็พยายามเก็บขอมรอมเด็บขยันหาทางสุจริญเลนี่ดับทุกข์แบบนี้นะทีนี้โกรธเขาอย่างเงี้ย ไม่ใช่ไปฆ่าเขาให้มาฆ่าตัวโกดฆ่าตัวกิเดชเลนี่วิธีฆ่าฆ่ายังไงนะนี่วิธีฆ่าก็อารมณ์วิเทียนก็สอนแล้วว่าให้ฝึกสติความรู้สึกตัวไวๆให้เขาไปเห็นะให้เขาไปเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจอาการที่มันเกิดขึ้นในใจอาการเกิดขึ้นในในกายเห็นอาการแล้วก็จะดึงกัตัวตัวเห็นตัวเห็นเนี่ยเขาเรียกตัวตัสรู้กัตสรู้จรัสรู้ตัวโพธิเนี่ยโพธิพุทธิพุทโธพุทธังเนี่ยแปลว่าผู้รู้ ผรู้นีทีนี้ก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวโตนะขอไปเป็นสิ่งรู้นะธาตุรู้นะวิญญาณธาตุนะธาตุรู้วิวิเศษแจ้งแจ้งต่างๆนานาญาณประดุวิญญาณว่าสิ่งรู้ธาตุรู้ที่รู้วิเศษรู้ต่างๆรู้นานารู้จาแจ้งนั่นแหละตัวนี้เข้าไปรู้เข้ามันก็จัดไปกําจัดไอตัวกิเลสตัวโลภตัวกรธตัวหลงออกนะตัดตัวนั้นออกตัดความคิดออกตัดอะไรออกหมดแล้วทีนี้ยตัดออกหมดแล้วทีนี้มันก็เหลือจะทําหน้าที่รู้ไปนะ รู้สื่อสื่อรู้เฉยเรู้เปล่าเปล่ทีนี้ให้มายกมือมือเปล่าเปลยกขึ้นมาเนี่ยมือไม่ได้จับของอะไรยกขึ้นมาเฉยโอ้รู้สึกมันรู้สื่อซื่อจริงๆรู้เปล่าเปล่าจับไม่ได้แต่ก่อนปฏิบัติมาไปวัดปากชมน่ะตรงนั้นหลวงพ่อเพียรอยู่หลวงประเทียนไม่อยู่ไม่เห็นหลวงพ่อไม่เห็นลหลวงประเทียนบวชท่านอยู่แต่ไม่เห็นทําทำกรรมฐานอย่างไรทขาขยืนสอนยกมือยกมือาใส่ยกมา รู้สึกตัวไหมครับหลวงพ่อบอกไม่รู้อยากอยากจะให้รู้อย่างอื่นเนี่ยรู้เป็นนิมิตเป็นเทวดาเป็นอินเป็นโฟมไปยังไงันไปเป็นปนิมิตไปนะบอกไม่รู้พระก็เลยบอกอุทานออกมาไอ้หาทําไมไม่รู้ผมทำไมรู้สึกตัวเหมือนแต่หลวงพ่อไม่โกรธนะอะไม่โกรธเลยนี่ก็ไปเดินไปเดินจงกรมให้รู้เฉยเฉยเนี่เดินจงกรมส น, นั่นยังไม่ไยกมือเดิ น, นเฉยเดินไปเป็นชั่วโมงมันเหนื่อยมันอยากนั่ง ความคิดมันพูดมยโอ้ยเหนื่อยอยากนั่งอย่าพูดเหมนอย่าคิดสิมันจับได้เหมอนอ๋อเดินต่อได้อีกชั่วโมงนึงเดินเดินต่ออีกชั่วโมงเดินชั่วโมงแล้วพอจับตัวคิดได้ที่มันพูดในใจนะนั่นคือความคิดนะบอกอยากนั่งเนาะเหนื่อยแล้วเหมืนเอ้าอย่าพูดสิเหมอย่าคิดสิเหมือนนั่งก็นั่งลงไปสิเหมือนอ่ทีนี้ก่ตอนกลางคืนมันหนาวลมมันพัดเข้ามาทางช่องห้องลมข้างบนเนี่มันหนาวโอ้หนาวเหมือนเอ้าอย่าคิดสิเหมอน อย่าคิดอย่าพูดในใจเถอะหนาวก็รู้ว่าหนาวแล้วก็หาผ้ามาห่มก็บวชเรื่องไปเหมือก็หลั่นความคิดเถอะนะไปจับได้ส่วนั้นทไประจับแต่ต่วนั้นตีนก็ยังไม่รู้ปฏิบัติยุบหนองพ้องหนออยู่ปฏิบัติยุบหนอพ้องน้องกับอาจารย์ขุนขุนขุนมื่นศรีสลาก่นะขุนศรีสละกรเป็นขุนเป็นอธิบดีกรมสุลกากรมาบวชเถอะนะเป็นลูกศิษย์ท่านปฏิบัติกันอยู่กับท่านเถ่ะท่านบวชจนตายเลย ตายเนะครับพระเลี้ยงเลยท่านเดินเจริญติแบบยุบหนอพองหนอจีนี้กระทำเลยนะพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนลวงพ่อครับคันบอกกับท่านนั่งอยู่นะท่านทํายุบหนอพองหนอใครไม่เรียกก็ไม่ได้ยินเหมือนกันไม่ได้ยินเละจิตมันไปอยู่คงจะเข้าสมาถะไปแลอวไม่ได้ยินเหมือนกันทีน้หงพ่อครับผมเห็นไอ้ท้องพองยุบเนี่ยมันชัดนะไม่ต้องว่าดได้ไหมไม่ต้องว่าพองหนอยุบหนอได้ไหมควาอย่างหนอไส้ย่างหนอไม่ต้องวาดได้ไหมผมก็จับมันชัดอยู่แล้ว ไม่ได้ต้องว่าอาจารย์ก็สอนในพูดบริกรรมไปด้วยต้องว่ายุบเนาะพองเนาะขวาอย่างเนาะซ้ายอย่างเนอะต้องว่าตามไปอย่างนั้นปฏาบัติอย่างนี้ข้อก็เฉยอยู่มันกวันก็หนี้นีมามาอยู่ที่วัดอะไรปฏิบัติอยู่กับ5้าหเดือนที่ค้างไปไอำเภอปักคงชัยเนาะข้างนอกโพรานะ่ะจําชื่อวัดไม่ได้มาปฏิบัติอยูยนะ่เนี่ยเดินไปเดินมาจางังหวะสองสามสี่หนะ้าเน่ะแล้วก็ยุบเนาะพองหนอไม่ดู ไม่พูดว่ายุบหนอพองหนอทําด้วยวันคําเอ้าําเอาเลยนะแต่ยังไม่รู้จักรูปจากนามแต่ว่าจิตใจมันไม่ได้ไปไหนมันก็ทําเอารู้จังหวะรู้จังหวะอยู่เนี่ยอะไรรูปอะไรนามก็ยังไม่รู้จักเลยก็แต่ว่าดีจิตใจสบายดีไม่รู้จักเนี่ยต่อมาก็ทำพุทโธตัวเองทําพุทโธมาสิบปีนะได้แต่ติดติดสุขเนี่ยติดสบายติดลาบยศสนเสริญติดลูกยนเนี่ยติดลาบติดยศติดสนเสริญติดสุขเนี่ย มันมีบ้านแต่ว่าเสื่อมราษเสื่อมยศนิทาทุกไม่เคยมีเท่าไหร่นะมาติดจีอาจารย์ยันตาพาไปนอกเที่ยวบินว่อนอยู่เลยเอทีนี้ก็เลยมาทํำจี่นไปทําที่เพอะที่อาจารย์นาลงลูกศิษย์หลวงพ่อชาไปทําพระองค์นี้เวลาใครพูดอะไรนะเช่นนั้นเช่นนั้นท่านเคยนะถ้าพูดอย่างเนี้ยเช่นนั้นเช่นนั้นเขามาปรึกษาอะไรกันแส่มาขอเงินขอทองหรืออะไรก็แล้วแต่ มีเหตุปัจจัยขึ้นมากอะท่านก็เช่นนั้นเช่นนั้นจะให้หรือไม่ให้ก็เอก็เช่นนั้นเช่นนั้นอยู่เนี่ยใครมาถามอะไรก็เช่นนั้นเช่นนั้นหมายถึงว่าตาตาตาตาตตาแปวได้ยินก็อย่างนั้นทุกข์ก็เช่นนั้นสุขก็เช่นนั้นขอก็เช่นนั้นขโมยก็เช่นนั้นอะไรขี้เกียจกเช่นนั้นอะไรขยันก็เช่นนั้นเช่นนั้นเช่นนั้นท่านพูดอยยงเนี่ยเออทีนี้หลวงพ่อก็เลยไปทําพุทโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธเดินก็ขวาพุ ขาขวาพูดขาซ้ายก็โทร น, นะเอ๊ะไม่ว่าไม่ได้เลยมันไม่มันรู้ชัดอยู่นะนี่เสียงตัวเองไงนะถามตัวเองไม่ได้ถามผู้อื่นใช่ไหมทีนี้ก็เลยมาเจอสายนักเวีเยนเขาดูอัตโนมัติด้วยนะเพราะว่าอาจารย์ขขยัถูกเขาใส่ไล่นี้ไปอเมริกาคันคนตํารวจเอกสวัสดิ์อมริวัทร์ธรรมที่วกรคนตำรวจเป็นคนส่งไปนะไปส่งไปทีนี้ก็ไปปรับมีใบสุทธิสองใบเอ้อใบพัสดุสองใบ ของคมเมนต์ใบหนึ่งของทไทยใบหนึ่งไปถึงเขาปรับให้ทําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยคุมขังนอกสถานที่นะให้ให้สอนไปสอนสามสิบมิลสามสามร้อยหสิบห้าสามร้อยครั้งเหมือนสามร้อครั้งหรือสามร้ยวันอย่างเงี้ยเขาปรับให้ไปสอนท่นสัตว์เก่งอะไรสเก่งสมาธิก็สอนสมาธิทีนี้ไปขับรถเขาขับมรถมาชนเขาตายเขาคนขับรถนะ่มาชนท่านตาย ตัวคนขับรถรถคันอื่นอะตายแต่ตัวท่านไม่ตายท่านก็เจ็บกระดูหักไปเยอะแยะอะไรเนี้ยแต่ก็ไม่ตายเสียไปแปดล้านบาทนะถ้าหากว่าท่านขับไปชนเขาตายนะต้องเสียแ80ดสิบล้านหรือร้อยล้านบาทเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันน ะ, นะเขาเขเลยเสียไปเลยเจอไปนอกนอกกินนี่ยก็ใส่ล้านสั้นไปเลยเนี่ยนะกันนี้ก็คือว่าเป็นคนที่ขาดสติเท่านั้นขาดความรู้สึกตัวเนี่ยนะ ขาดความสติขาดความรู no, no, ky, really ้สึกตัวไม่มีสติไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันก็เลยเกิดความประมาทขึ้นมาอะไรที่มันเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยความโลภความโกรธความหลงผิดศีลผิดอะไรต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าไม่มีตัวสติไม่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่เราต้องฝึกไปใช่ไฝึกไปให้เห็นที่กายกายกับใจมันอยู่ด้วยกันรูปกับนาำมันก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมทีนี้น้ำหรือใจเนี่ยมันทําหน้าที่รู้รูป เห็นรูปอะสั่งรูปให้เคลื่อนไหวให้ทํางานให้จับให้วางอะไรมาสั่งทั้งสั่งด้วยทั้งรู้สึกด้วยเห็นะสั่งด้วยรู้สึกด้วยไปในตัวเสร็จรู้สึกตัวสุกพร้อมนะการระลกสัพพัญญาการระลึกรู้เดีก่อนนะเป็นสติสติและสัพพัญญาหลวงก่อเทียนเรียกว่าความรู้สึกตัวพูดคําเดียวเลยเรียกรวมกันเลยแล้วความรู้สึกตัวเนี่ยรู้พร้อมไปู้สุกขนาดมันจะกลายไปเกิดเป็นตัว ป, ปัญญามันจะเห็นจริงอันสิ่งนี้เกิดขึ้น มาแปบเดียวหายไปอ๋อเป็นอนิจจังสิ่งนี้ทนยากทนลำบากทนถูกกดถูกบีบถูกความเย็นความร้อนกดเอาทําลายเอาเนี่ยก็เป็นทุกข์ใช่ไทีนี้ก็ทีนี้ก็ไอตัวรู้หรือว่าไอสิ่งที่เที่ยงเนาะอย่าเปลี่ยนแปลงเนาะเป็นสุขเนะาะจะเป็นทุกข์เนาะเนี่ยอันนี้ก็ใจนี่วิญญาณธาตุเนี่ยรู้แต่สุขนะทุกข์อยรู้นะรู้แต่เรียบร้อยนะไ อ, ไอความหยาบคายอะไรอย่าไปรู้นะอย่ า, างเนี้ยก็บังคับไปได้ก็เป็นอ น, นัตตาใช่ไหม สิ่งใดบังคับไม่ได้มีความแปรพวนไม่ควรตามเห็นว่าเป็นตัวเราของเราอันนี้จังทุกขังอนาตาก็คือคือกายกับใจนี่ยให้ดูที่นี่ก่อนดูที่เกิดอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายอาการที่มันเกิดขึ้นกับใจเนี่ยมาดูมันดูมันไปดูมันไปก็มันจะมันเห็นอาการดับเลยที่เห็นง่ายที่สุดก็คือลมหายใจลมหายใจลมหายใจก็คือรูปก็คือกายเนี่ยแต่เป็นรูปอันละเอียดเนี่ยหายใจเข้าก็เกิดดับหายใจออกก็เกิดดับชีวิต ท่านรู้ที่มันอยู่ได้นะก็เพราะมันอยู่ได้เพราะลมหายใจเนี่ยเก <c oughs> ิดตายเกิดตายลมหายใจเข้าก็เกิดแล้วก็ตายลมหายใจออกเกิดแล้วก็ตายนะเดี๋หยุดอยู่ชั่วขณะแล้วก็เกิดอีกตา ย, ตายอีกเกิดอีกตายอีกเนี่ยเกิดตายอยู่ทุกขณะนะตัววิ ญ, ญญาณท่านท่านรู้มันก็เกิดตายตามไปด้วยนะแต่ว่ามันเราจับไม่ค่อยได้เราจับได้แต่รูปรูปคือลมหายใจมันตายหเห็นมันเกิดให้เห็นมันตายเห็นทีนี้ไอ้ตัววิญญาณท่านรู้นะมันก็ ตสตินะความรู้สึกมันก็เกิดตายไปตามมนะันนะเกิดตามติดต่อกันทียิบมันก็เรียกความถี่ยังหลดหลอดไฟข้างบนโหลดพอด อ, อิเลสเซนเนี่ยหลดนิออนเนี่ยมันเกิดดับ50ครั้งต่อ ว, วินาทีก็เรียกห้ิไซเคลิลต่อนหนึ่งวินาทีมันเกิดดับอยู่แต่เราไม่เห็นเนี่ย เ, เห็นแต่มันสว่างโล่อยู่เนี่ยก็เรียกความถี่ของไฟฟ้าเกิดถี่ทีนี้แม้แต่แสงก็กันมันวิ่งได้วินาทีนึง หนึาา่งแสนแมื่นตวีนาชีวิ่งก็คือมันเกิดดับนะต ว, วีนาชีมันเกิดดับขนาดขนาดไหนนะเสียงก็เหมือนกันเกิดดับได้หนึ่พหนึ่งครั้งต ว, วีนาชีไงนะเสียงเนี้ยมันเกิดดับเกิดดับอย่าเสียงนะทีนี้เราจับไม่ได้เราจับว่าจะหัวตน้นกับตายมาเกิดนะกันณะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโมก็เกิดขึ้นต่อคืนต่อไปนีเน่เกิดเสียงรูปทั้งหมดนะแสงสี ที่เราเห็นนี่ก็รูปเสียงก็เป็นรูปกลิ่นเหม็นหอมก็รูปรสอาหารอร่อยไม่อะไรก็รูปสัมผัสผลิตภเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มเนี้อหยาบละเอียดหยาบครายละเอียดนุ่มเนื้อขนาดนันก็เป็นรูปเลยนะเป็นน้ําอยู่ตัวเดียวคือตัวรูปน้าที่ธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์นั่นก็ความรู้สึกนะึกคิดถึงอดีตถึงอนาคตมันออกมาเป็นมโนภาพออกม า, ามโนภาพขึ้นมานั่นก็เป็นธรรมอารมณ์เลยนะแล้วก็มีมโนวิญ ญ, ญาณเข้าไปรูป้เลยก็มีธรรมสามประการทีนี้ ของเราเนี่หลวงพ่อเทียนให้มาดูที่ความรู้สึกตัวให้ดูที่ผัดสายอารมณ์ภายนอกกร ะ, กระบทบภายในรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจที่นี้ท่านให้เอากระทบที่ติวนี้ก่อนกระทบที่โผลสะพะกายเนี่ยกายกระทบลมกายกระทบสกายอย่างเงี้ยขนากระทบให้รู้สึกแค่นี้นี่รู้สึกเราก็รู้สึกเฉยเห็นไหมมีตัวโกดไหมมีตัวโรคไหมมีตัวหลงไหมมีสมมติไหมมีความคิดไหมไม่มี รู้ซื่อซื่อรู้เฉยเรู้เปล่าเีทีนี้เรารู้ได้กี่วินาทีล่ะรู้วินาทีหนึ่งเราก็สัมผัสตัวปกติปกติปกติที่ไม่อารมณ์มันซื่อซื่ออารมณ์บริสุทธิ์อารมณ์เปล่าเปลอารมณ์ว่างว่างเนี่ยลงมาเทียนมาปกตินี่คือพันิพัณฑนี่พันิพัณฑคืออะไรคือว่างจากความนึกคิดว่างจากปรุงแต่งว่างจากโลภะโกดจากหลงว่างจากเกรดว่างจากทุกข์นะเป็นความว่างนี่ผานังประดมังส่วนอย่างนี่ผ่านว่างอย่างยิ่งไง ว่างจากกิเลสว่างจากความพุกว่างจากตัณหาว่างจากอุปาทานว่างจากความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละก็สําเร็จแล้รู้ไม่มีอะไรเป็นแความรู้สึกซื่อที่บริสุทธิ์เฉยใช่ไหมกระจับตัวนี้เยทีนี้มันไปเผลอคิดรักคิดเผลอคิดขโมยคิดขึ้นมาให้ทูให้ดูทันมันเพราะมันจะปรุงแต่งความคิดก็คิดด้วยความโลภคิดด้วยความโกรธคิดด้วยความหลงคิดด้วยความรักความชังความเย็นดีเย็นร้ายคิดด้วยความดีใจเสียใจมันคิดปรุงแต่งไปค่ะกิเลสพาปรุงแต่งไปมมััันนเเลอหง้กก็สตด ทีนี้ถ้ากว่สติความรู้สึกตัวเราค่องแคลวว่องไวขึ้นมาไปเห็นปั๊บอารมณ์นั้นมันก็ดับไปหายไปทีนี้เราก็กรู้รู้สึกตัวรู้สึกตัวตัวนี้เป็นวิธีป้องกันป้องกันไม่ให้ตัวรักคิดมันเข้ามาตัวกิเลสมันเข้ามาแทรกเข้าใจไหมทีนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วก็ปราบปรามไปกวาดมันนะเลอไปกวาดไปทำลายออกมา ใ, ให้มันกระเด็นออกไปให้มันหายออกไปเข้าใจไหมทั้งป้องกันและปราบปรามตัวสติความรู้สึกตัวเนี่ย ป้องกันและปราบปรามตัวกิเลสตัวความทุกข์ให้เกิดขึ้นในใจเนี่นะให้เราไปสู่ในถูกของตราเองไงนะเราทํานาะสยกมือมันไม่คิดอะไรมันรู้สึกซื่อๆเฉยใจสบายสบายก็คือไม่ลําบากสบายก็คือไม่ทุกข์น้ำบากคือทุ ก, กข์เนี่ยยกขึ้นยกขึ้นรู้สึกตัวรู้สึกตัวทีนี้มือเบาๆไม่ได้แบกภาร ะ, ะอะไรไม่ได้หิ้วอะไรมันก็เบาๆใช่ไหมมือว่างๆเนาะว่างจากการทําว่างจากการหิ้วการแบกการหามการถือมันก็ ว, ว่างอยู่ที่นี่ก็ทําใจให้ว่างะให้ว่างอยู่กว่างอย่าไปยึดจะไปถืออะไรที่มันไปยึดไปถือก็คือมันแบกมีภาระเลยมีภาระนี่ใจไม่แบกอารมณ์ไม่ยึดถืออารมณ์ไม่ติดต่ออารมณ์ไม่พูกอารมณ์ไม่มัดอารมณ์ไม่ลากอารมณ์ไม่จูงอารมณ์ไม่ผักอารมณ์ไม่ดึงไม่ดันอารมณ์นี่นมันก็อยู่เฉยๆมันก็ไม่นั่นก็อยู่เปล่าๆว่างๆอารมณ์ดีมากระทบกับไม่ดึงไม่กอดก็ไปอารมณ์ไล่ก็ไม่ผักไม่ดันไม่ชีบเข้าไป ไม่พักเข้าไปก็อยู่เฉยเฉยใช่ไหมก็สจิตอยู่นิ่งๆอยู่สงบก็ไม่เป็นไรทีนี้เรามันดิ้นเนี่ยดิ้นไปกอดไปรัดเนืก็โลภราคะของกําหนัดเห็นไหะทีนี้ดิ้นไปโกรธก็เกลียดไปทําลายไปกระทืบเนี่ยก็ออกแรงมาเห็นไหมก็กระทุกข์ทีนี้โมหะก็หลงเป็นนั่นหลงเป็นนี่หลงสวมกอดหลงตันติดอยู่เห็นไ่มหลงเป็นหลงเป็นนั่นหลงไปหลงเป็นสัตว์บุคคลตัวตนตัวเขาที่จริง ร่างกายกับใจเราเป็นธรรมารวนๆอยู่แล้วกายเป็นปัตถุธรรมะเป็นรูปธรรมะเนี่ทีนี้จิตใจความรู้สึกก็เป็นนามธรรมเป็นธรรมารวนๆอยู่ทีนี้เราไม่รู้จักบริหารธรรมะเนี่ยที่เรามาจเจริญสติรู้จักบริหารบริหารอะไรบริหารใจเวลามันคิดมันนึกขึ้นมาก็อย่าคิดด้วยความโลภความโกรธความหลงอย่าคิดด้วยความโง่คิดด้วยตัวสติปัญญาถ้าจะคิดนะ ถ้าไม่คิดก็อยู่เฉยเยปากเหมือนกันปากก็ทําได้ทั้งสองอย่างพูดและกินนะทีนี้บริหารธรรมะปากได้ไหมธรรมะวาจาธรรมะปากได้ไหมกินอย่ากินสิ่งเสียดสีเหมือนเมาอย่ากินอย่ากินสารพิษเข้าไปสิ่งเสียดสีอย่ากินเข้าไปพูดพูดคําสัตว์คำจริงคําไพเราะอ่อนหวานคําสมานสามัคคีคำมีประโยชน์เนี่ยคําโกหกคําไม่จริงคําหยาบคําสอดเสียดคําเพื่อเจอเรืวไหลอย่าพูดนี่ก็บริหารมาเคยไหมบริหารนี่แหละคือสินะก็ษตร สิกขาแปลว่าบทแปลว่าทําะไรนะครับทำให้มันดีขึ้นหรือว่าทําลายสิ่งที่ไม่ดหีหายไปนั่นแหละสิกขาในการกระทําอย่างนี้นี่เราก็บริหารสามัมมาปากเป็นไหมบริหารสามัมมาลินเป็นไหมทีนี้ทางกายทําอะไรกายทำการงานท ำ, ทำอาหารทำปลูกผั ก, กทาเขียนหนังสือดีคอมพิวเตอร์อะไรก็แต่ที่มันเป็นประโยชน์นะไม่ได้เป็นไปเพราะความโรคความโกรธความหลงนะในบริหารการกระทําทางกายได้ไหม กายเราบริหารไม่เปลี่ยนใช้กายเดินไปเที่ยวเต้นลําใช้กายกินเหล้าใช้กายต่างต่างเใช้กายเดินไปไปตีเขาไปรักของเขาไปขโมยเขาเนี่ยใช้กายใช้มือจับใช้รูปจับเนี่ยนะบริหารเปลี่ยนไหมบริหารรูปเป็ี่ยนไหบริหารนามเป็ี่ยนไหมนี่คือก็ตัวสติความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันตัวปัญญามั น, เ ป, น, เ, ปนเป็นตัวปัญญาอยู่ในตัวเป็นตัวเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวของมันนี่แหละมันจะได้บริหารเอง บ่ญวิชเยนทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกได้เพราะความเพียรไม่ใ่คนพูดเรื่ความกิจขานเท่านะเราต้องอยู่ในเพียรมีสติที่เรียกว่าเพียรถ้าเพียรแล้วไม่มีสติน่ะเพียรกินเหล้าเพียรฆ่าสัตว์เพียรขโมยของเขาเพียรด่าเขาเพียรดินท้าเขาเนี่ยนั่นก็เพียรแบบมันเพียรแบบนั้นนะกับเพียรตะกิเลสพาเพียรเท่นะไม่ใช่สติปัญญาพาความเพียรแต่ละทีนี้จะเป็นความเพียรที่เป็นสัมมาวายามะแต่ก็ต้องมีสติ เขาไปเข้าไปคุมพระพุทโธมีสัญญามียานปัญญาเขาไ ป, ไ ป, ไ, ปไปตามไปรู้ไปคุมไปด้วยมีสติและสัพัญญาเขาไปตามรู้ไปด้วยนี่เราต้องฝึกตัวนี้ให้ไวๆตัวธานรู้เนี่ยธานรู้เนี่ยเขาเรียกว่าโพธิพุทธิพุทธังพุทธโธพุทธเจ้าแป้าอะไรเจ้าไปผู้เป็นใหญ่พุทธะก็ผู้เป็นใหญ่ในการรู้ ร, รู้สึกตัวผู้เป็นใหญ่ในการรู้สึกตัวสัพพัญญาเนี่ยผู้สึกเป็นใหญ่ในการรู้แจ้ง พุทธเจ้าที่พวกเราเนี่เป็นอนุพุทธะพุทธะองค์น้อยพุทธะที่หลังเป็นสาวกกับพุทธะเป็นศิษย์กับพุทธะเป็นลูกหลานพุทธะเข้าใจไหมไม่ได้เป็นองค์ใหญ่ไม่ได้เป็นประศัสดาเราเป็นพุทธะตินใจเรามีความรู้ตื่นเบิกบานอยู่เสมอไม่มีความโลภความโกรธความหลงแทรกแทงอยู่นี่ยนี้อ่เราก็เป็นลูกพุทธะล่ะลูกพุทธะจะพูดตามสมมติว่ลูกพุทธเจ้าลูกพระธรรมลูกพระสงฆ์ลูกพระรหัสทีนี้พ่อแม่ที่ทําให้ลูกเกิดมา่ะ พ่อแม่เปรียบมันพันอาหารของลูกนี่นะทีนี้กับลูกนี่อะไรพ่อแม่เลี้ยงละมาเลี้ยงท่านตอบทําการงานช่วยท่านดํารงวงศ์สกุลประพฤติตนดีสมเป็นสายญาติรับมรดกเมื่อท่านลงรับไปแล้วทําบุญฤทธิ์ให้แต่ข้อหนึ่งถึงข้อสี่นะทำบุญฤทธิ์ให้พ่อแม่ในขณะที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เลี้ยงลมาเลี้ยงท่านตอบทําการงานช่วยท่านดํารงวงศ์สกุลอย่าให้วงศ์สกุลมันเสียไปนะพยายามวงศ์สกุลเป็นวงศ์สกุลที่ดีๆไว้วงศ์สกุลรักษาศีลวงศ์สกุล จเจริญสมาธิวงสกุลให้ทานวงสกุลสุจริตเนี่ยวงสกุลถ้าอยังติยดยศเป็นใหญ่ขยันขึ้นมากวงสกุลเป็นนายกทั้มนตีเนี่ยจะให้เป็นวงสกุลขี้ขโมยขี้ป่นเยอยวงสกุลเป็นโจรเป็นอย่างงั้นนำลงวงสกุลประพฤติตนดีสมควเป็นสายญาติรับมรดกก็เป็นผู้ที่กัจจันยูเนี่ยแหละเป็นผู้มีศีลห้าเนี่ยแหละ<ม>เป็นผู้ไม่ฟุ่มเฟือยเนี่ยแหล ะ, หละสมควรที่จะรับทรัพย์มรดกทีนี้ทรัพย์มรดกพ่อแม่ให้มาตั้งแต่ในท้องแล้วใครหาว่า พ่อแม่ไม่ให้ทรัพย์มรดกคนนั้นลูกอักตันอยู่ไม่รู้คุณพ่อแม่แขนสองขาสองสมองหนึ่งพ่อแม่ให้มาแต่ในท้องแล้วให้มาแต่ในท้องแล้วออกมาแล้วก็ใช้แขนสองขาสองสมองหนึ่งไปเรียนหนังสือเขาเสียงมาเพิ่มมรดกเข้าไปเรียนหนังสือเขาพอห้าปอหกปริญญาตรีโทเอกขึ้นไปแล้วไปทําการงานเนี่ยใช้ทรัพย์มรดกบางคนใช้กายอาจจใจเนี่ยกินเหล้าฆ่าสัตว์รักทรัพย์ใช้มรดกที่พ่อแม่ให้มาไม่เป็นเนี่ยใช่ไม่เป็นนะถ้าใช้เรา ใชมร ด, ดกกายวิา จ, ายจัใจรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดเพราะมันทุกนี่ยใช้มร ด, ดกที่พ่อแม่ให้มาเป็นนะบุคคนก็ต้องพ่อแม่ให้รถเกง๋งให้บ้านให้ช่องให้อะไรต่างตึ้งค่ให้มร ด, ดกไม่ใช่แขนสองขาสองสมองหนึ่งให้มังแต่ในท้องแล้วนี้เราก็มาต่อมาเพิ่มมร ด, ดกเข้าสาิมาเพิ่มคุณงามความดีเข้าใส่ที่วาจาใจนี้เข้าไปนี่แหละ ก็เรียกว่าบริหารธรรมะเป็นใหม่คนพุกคนไม่รู้รู้เรามันเป็นตะกูลตัวกูตัวกูตัวมึงเลยนะนั่นน่ะรู้แบบมิจฉาทิฐิไม่รู้รู้ผิดจิตก็เป็นทุกข์เลยนะถ้ารู้ถูกรู้ถูกว่าเออกายเป็นรูปธรรมใจเป็นนามธรรมถ้ารู้ถูกเราจิตใจมันก็จะพ้นทุกข์เลยนะนี่ปวกคลมิจฉาทิฐินะจิตเวลาพูดกันเวลาเดินไปนะเห็นคนเดินไปเดินมาเราต้องสั่งตัวเองให้พูดด้วยปัญญาให้จําด้วยปัญญา โอ้ น, นั่นรูปน้ําเคลื่อนไหวไ ป, ปมาเห็นหมดเห็นปลวกกับรูปน้ำปเปลนไหวทีนี้นเวลาจะพูดเราก็พูดตามสมมติทีนี้ทที่คนเราคุยกันจ้ออย่างเงี้ยส่วนมากสมมุติพาไปตัวโมหะตัวหลงพาไปหมดเลยเข้าใจไหมทีนี้พนี้ก็จะพูดปั๊บอ่าก็รู้เนี่เสียงที่พูดออกมาคืออะไรคือรูปไอ้ที่รู้น่ะคืออะไรคือน้ำอ่ารูปน้ำทีนี้ยรูปน้าเอามาสื่อสารเนยสื่อสารยังไง สื่อสารทําังนั้นสื่อสารไปหาความโลภความโกรธความหลสสรรงสื่อสารด้วยกิเลติสื่อสารหนึ่งก็พูดคนทุกข์เนี่ยเป็นไงมีสติรู้สึกตัวดีไหมเป็นยังไงร่างกายมันมันเจ็บมันปวดไหมรูปมันมันป่วยไหมถ้ารูปมันเจ็บมันปวด ม, มันเป็นทุกข์หรือันน้ำคือใจเป็นทุกข์ไหมเนียแล้วพูดกันอย่างนี้ก็เียกพูดไปแบบปาะมัดพูดไปหาความบนทุกข์เนี่ยแล้วพูดกันอย่างงั้นอย่างนี้อะไรจิสิ น, น, นทายชมเชยคนนั้นอย่างนี้นพูดเป็นตามสมมุติเี่ยพูดเป็นตามมิจฉาทิฏฐิใช่ไหม พระพุทธเจ้าจึงว่าห้ามเป็นการคุยกันนะอย่าพูดอย่าพูดอย่าคุยกันอย่าม้วสซุมกันอย่างเงให้มันจิตมันม้วมันอยู่คุ้นเคยกับตัวสติคุ้นเคยกับตัวสัพพัญญะเห็นอะไรเป็นรูปเป็นนามหมดเลยนะโอนี่รูปนามนะรูปนามไม่มีสติปัญญาก็รูปนามแล้ว ก, ก็พ้นทุกต่อไปรูปนามไหนโง่ๆไม่มีสติปัญญารูปนามนั้นก็เป็นทุกต่อไปแค่นั้ น, นก็ดูแค่นี้ไม่ต้องไปสงสัยอะไรน่ะทีนี้กับรูปนามที่พ้นทุกไม่มีทุกเจืวปนรูปนามนั้นก็เข้าสัมผัสภณยภา นะเข้าสัมผัสความว่างทุกข์่นี้นะนี่ก็เรียกว่าเข้าส like ัมผัสเข้ากระทบเรียกว่าเป็นอ okay. ันหนึ่งอันเดียวกันก <sa ็ได้แต่ว่าเป็นอันหนึ่งอ claro> ันเดียวนั้นมันยังไม่ใกล้ทุกไม่ใกล้ทุกสนัดแต่ว่าเข้ากระทบเข้าสัมผัสเข้าสัมผัสปณิพานว่างทุกข์ใจก็ได้ว่างทุกข์ไปด้วยเข้าสัมผัสความพ้นทุกข์ใจก็พ้นทุกข์ไปด้วยเข้าสัมผัสความไม่มีทุกข์ใจก็ไม่มีทุกข์ไปด้วยเข้าสัมผัสความสงบใจก็เลยสงบเย็นไปด้วยอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องสังเกตตัวตัวของเราเองนี่ อะไรก็ไม่สาคัญในโลกเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดก็คือจิตใจทีนี้รักษาจิตใจใจนี่เป็นทรัพย์สมบัติที่จิตใจวิญญาณท่านดูเป็นทรัพย์สมบัติที่ดีที่สุดเนี่ยต้องรักษาจิตเอาอะไรมารักษาจิตเอาสติเนี่ยผู้เจ้าว่าความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่ประเสริฐสุดอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยเจโตวิมุตปัญญามิมุติเจโตวิมุตปัญญามิมุตก็คือตัวจิตใจที่มันพ้นจากกิเลสนั่นเอง คนจากโลดจากโกรธจากกลงคนจากนั่นก็เนี่ยเป็นการอยู่เป็นการอยู่ที่ประเสริฐที่สุดเป็นการกระทำที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยพุทธเจ้าเขาพูดไว้อย่างนี้ที่พวกเราก็เพื่อทําไปสู่จิตวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสปัญญาคือจิตใจถ้ารู้เนี่ยหลุดพ้นจากกิเลสนั่นเองนี่เป็นการอยู่ที่เดี๋ยวบางคนก็อยู่อยู่ได้ราบได้ยศได้สรรเสริญอยู่ด้วยคํายกย่องอยู่ด้วยแก้แหว่งเงินทองอยู่ได้เงินเนี่ยอยู่อยู่อยู่กับอยู่กับกิเลสนะอยู่กับัผูกกับพวกนั้นก็ เกิดข <S ans es> ึ้นจังอยู hmm? like people, ่ไปเป็นอนิจจังทุกขังอนิจจามันไม่เที่ยงก็อยากให้มันเที่ยงมันเป็นมันเป็นทุกข์ก็อยากให้มันเป็นสุขอยากมันไม่ใช่ตัวตนก็อยากให้มันเป็นตัวตนก็อยู่ด้วยปัญหาอยู่ด้วยกิเลสมันก็ทุกข์ต่อไปสิทุกข์ต่อไปต้องให้อยู่ด้วยความไม่มีกิเลสเนี่ยอยู่ด้วยปะวะชะการเว้นการไม่มีกิเลสเนี่ยอยู่ด้วยนักบวชเนี่ยนะอยู่นักนักเว้นอย่างนี้นี่วันพระเนี่ยเป็นวันที่ละกิเลสเป็นวันสํารวมกิเลสใครถ้าจิตใจใครไม่โลภไม่โ แล้วก็ไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์ทำอยู่ทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกยกความว่างกินอาหารของความว่างอย่างภากรินกิเลสตายเสร็จสินส้นเต็มในตัวหวทีเหมือนพระเจ้านะทำงานทุกชนิ ด, ดจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารของความว่างทุกอย่างภากรินกิเลสความทุกข์ตายเสร็จสิ้นเต็มในตัวตีหัวทีใน่ยตายตายที่มันรู้สึกนะนะเนี่ยนีมันไม่เกิดเนี่ยไม่เกิดแล้วชาติสิ้นแล้วชาติกิเลสสิ้นแล้ว ชาติโลดชาติโกรธชาติหลงชาติกุตัวกูชาติาตันหามันไม่เกิดขึ้นในใจแล้วชาติสิ้นแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่ตั้งสีาา่สิห้าพรรษาสีิบห้าปีเดินสอนคนอย่างว่าชาติสิ้นแล้วชาติสิ้นแล้วก็คือตายสิแต่ไม่ใช่ร่างกายตายรูปแต่จิตแต่กิเลสมันตายสังหารละความโง่มันตายกิเลสมันตายสังหากก็เรียกว่ากิเลสนิพพานกิเลสกิเลสดับกิเลสสูญไปนะ